ก็ความในคุธการนิกายอิติวุตกะต่อจากครั้งที่แล้วนะครับในพรห ม, มสูตรข้อ286กล่าวถึงการที่ตระกูลนะครับที่มีบุตรบูชามารดาบิดาพงตรัสว่าดูการพิสูจน์ทั้งหลายตระกูลใดบุตรบูชามารดาและบิดาอยู่ในเรือนของตน ตระกูลนั้นชื่อว่ามีพรมมีบุรพเทวดามีบุรพาจารย์มีอาหุนยบุคคลดูการพิสูน์ทั้งหลายคําว่าพรมเป็นชื่อของมารดาและบิดาคําว่าบุรพเทวดาเป็นชื่อของมารดาบิดาคําว่าบุรพาจารย์เป็นชื่อของมารดาและบิดาคําว่าอาหุนยบุคคล เป็นชื่อของมารดาและบิดาข้อนั้นพ่อหิหราเพราะมารดาและบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้ถนอมเลี้ยงเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรนะครับพ่อแม่เนี่นะครับเป็นพรมเป็นบุรพเทวดาเป็นบุรพาจารย์เป็นอาหุนยับุคคลนะครับและผมก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่ามารดาและบิดา เราตถาคตกล่าวว่าเป็นพรหมเป็นบุรพาจารย์เป็นอาหุนยบุคคลของบุตรเพราะเป็นผู้อนุเคราะห์บุตรเพราะเหตุนั้นแหละบัณฑิตจึงนอบน้อมและพึงสการะมารดาและบิดาทั้งสองนั้นด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการขัดสีการให้อาบน้ำและการล้างเท้า บันเดชทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้ทีเดียวเพราะการปฏิบัติในมารดาและบิดาบุคคลนั้นละไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์นะครับนี่นะกล่าวถึงการประพฤติปฏิบัติกับพ่อแม่นะพ่อแม่นี้เมื่อเป็นผ้าอาหารของลูกนะครับลูกทั้งหลายปรนิบัติรับใช้ทาบุญกับท่านก็เป็นเหตุแห่งสุคติเหมือนกัน โดย ท, ทั่วไปแล้วนะครับคนในยุคนี้ก็นิยมหาพระริยเจ้ากัน น, นะซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่ของเขานั่นแหละเป็นพระรหารของเขาอยู่ที่บ้านนะครับเป็นนาบุญของเขาอยู่ที่บ้านนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ฉลาดนะครับทําบุญกับพ่อแม่ผู้เป็นพระทหารก็ได้บุญมหาศาลแล้วเพราะว่าพ่อแม่นี่นะครับถ้าหากว่าผู้ใดไปเข้นฆ่าท่านนะนะก็เป็นอนันตริยกรรมนะครับ มีโทษเท่าเข้ากับพาหาันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปทำบุญกับท่านก็ได้บุญมหาศาลเหมือนกันนะครับข้อความในอัตกถาพรห ม, มสูตรอธิบายว่าบทว่าสบ ร, รมการนิความว่าชื่อว่าเป็นตระกูลมีผู้ประเสริฐที่สุดนะครับมีมีผู้ดีนนะมีพรหมอยู่ในบ้านในเรือนนะครับบทว่าเยสังของตระกูลเหล่าใดบทว่าปุตตานางความว่าอันบุตรทั้งหลาย บทว่าอัชชาคาเรแปลว่าในเรือนของตนบทว่าปูชิตาหุนติความว่าเป็นผู้ที่บุตรทั้งหลายปฏิบัติแล้วด้วยสิ่งของที่มีอยู่ในเรือนคือปรนิบัติแล้วด้วยสิ่งที่พึงพอใจและด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายและเป็นประโยชน์แก่การพูดจานะครับก็คือช่วยทำให้พ่อแม่พึงพอใจนะครับ ทั้งด้วยการให้อาหารแก่ท่านนะครับทั้งด้วยการพูดการจานะครับที่ไพเราะแก่ท่านให้ท่านได้รับความสบายใจนะครับพูดถึงอย่างนี้นะครับมีมีลูกหลายคนนะทางเชียงใหม่นี่นะครับที่กาตันยูเนี่ยนะเห็นชัดเจนนะเออนึกถึงอย่างคุณณภาเนี่ยนะเวลาเขาจะทําบุญอะไรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาต้องแบ่งให้แม่เขาก่อนนะเขาจึงมาถวายพระภิกษุในภายหลังนะครับอันนี้ก็ควรแก่การอนุมโมทนาแล้วก็มี คนหนึ่งนะคะชื่อคุณท่ดินันนี่ก็ไปไหนก็จะพาแม่ไปด้วยนะครับไปฟังเทศฟังธรรมไปวัดไปวาไรไนนี้ก็ชวนแม่ไปด้วยนะครับแล้วก็เออควรกับการอนุโมทนานะครับก็มีอาจารย์บางท่านอีกก็รับส่งแม่นะครับแม่จะไปไหนก็ไปส่งนะครับอันผู้ผู้ที่มีความกตันยูกระตะเวทีนี่นะครับโดยทั่วไปแล้วก็ไม่ค่อยประสบความทุกข์ความยากในชีวิตมากนะครับ เพราะว่าทำดีกับพระอรหันต์เพราะว่าทำดีกับพ่อกับแม่นั้นมีมีผลอยู่แล้วนะครับหันสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะครับที่เป็นกรรมรกรสกทาสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะมีอยู่สองข้อที่ว่าพ่อแม่บุคคลผู้ทำดีกับพ่อแม่ก็มีผลทำชั่วกับพ่อแม่ก็มีผลนะครับเพราะนั้นพ่อแม่นั้นถ้าใครที่ไม่มีความสำนึกหรือว่าท่านเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ขาดสัมมาทิฏฐิไป จะ อ, อาสยะไม่ดีนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่มีคุณจริงๆนะครับก็อาสยะดีนะครับถ้ายิ่งผู้ใดอยู่ในฐานะที่ต้องเลี้ยงดูท่านได้แล้วก็ไม่เลี้ยงดูท่านนะครับพระองค์ก็ตรัสว่าเป็นคนถอยนะครับแล้วก็ไม่เป็นมงคลด้วยนะการเลี้ยงดูพ่อแม่นั้นเป็นมงคลนะครับมาตาปิตุอุปฐานังนะครับ เอตัมมังคารมุตตะมังเนี่ยนะผู้ที่บำรุงพ่อแม่นี่ยก็เป็นมงคลนะครับเมื่อไม่บำรุงไม่ทําบุญกับท่านก็เป็นอัปมงคลเหมือนกันมีผ้าอรหันอยู่ในบ้านในเรือนแล้วก็ไม่ประพฤติปฏิบัติกับท่านนะ ค, ะครับกาเที่ยวเาสาะหาไปทําบุญที่อื่นมีบางแห่งนะครับพราหม์บางคนมีพ่อแม่ผู้เป็นผ้าอรหันเนี่ยอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับก็ไม่ไปทําบุญนะครับเอาอาหารเป็นต้นไปถวายพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ถามไม่รับนะครับปองให้ไปทําบุญกับผ้าอรหรัน บอกว่าพาหันอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านเขบอกไม่มีกับพ่อแม่ไงประั้นเพื่อนให้ไปทําบุญกับพ่อแม่นั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงสรรเสริญตระกูลที่บูตบูชามารดาบิดาว่าเป็นชื่อว่าเป็นตระกูลที่มีพรมนะครับมีพรมอยู่ในบ้านนะตระกูลไหนเคารพพ่อเคารพแม่เนี่ยนะครับอย่างนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงภาวะที่ตระกูลเหล่านั้นเป็นตระกูลที่น่าสรรเสริญยิ่งขึ้นไป จึงได้ตรัสคําเมียที่ว่าชื่อว่ามีบุรพเทศนะครับบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าพรมมเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพื่อจะทรงแสดงนะครับเพื่อจะแสดงให้มารดาและบิดาเหล่านั้นสําเร็จความเป็นพรมเป็นต้นนะครับคือให้เห็นชัดนะว่าพ่อแม่นี้เป็นพรมเป็นบุรพเทศนะครับเป็นบุรพาจารย์เป็นอาหุนยาบุคคลเนี่ยนะซึ่งมีอธิบายให้แจ่มชัดว่าคําว่าพรม เป็นชื่อของผู้ประเสริฐที่สุดอธิบายว่ามารดาและบิดาทั้งหลายจะไม่ละทิ้งภาวนาสีอย่างคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในบุตรทั้งหลายเหมือนเท้ามหาพรหมไม่ละทิ้งภาวนาสีอย่างเชนั้นถามว่าภาวนาสีอย่างนั้นเพิ่งทราบได้ในการนั้นคือเมื่อบุตรยังอยู่ในอุทร์นะลูกยังอยู่ในท้องของแม่เนี่ยนะครับ มารดาและบิดาจะเกิดเมตตาจิตขึ้นว่าเมื่อไรหนอเราจะได้เห็นบุตรน้อยไม่มีโรคมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบบริบูรณ์นะครับประสงค์ท้าเออถ้าลูกเราคลอดออกมาก็เป็นะจะอวยคล้ายอวยชัยให้พรนะครับอย่าได้มีความพิกงพิการทางรูปร่างหน้าตาให้มีแต่ความสุขความเจริญเป็นต้นเนี่ยนะครับ ก็ค่าก็อวยพรให้ตลอดอะนะเรียกว่ามีเมตตาจิตไปกับลูกที่อยู่ในคันตลอดอันนี้เป็นเมตตาแต่เมื่อบุตรน้อยนั้นยังอ่อนนอนแบเบาอยู่ถูกไลหรือเลือดกัดนะครับหรือถูกการนอนไม่เป็นที่สบายบีทาเบียดเบียนร้องให้สะอึกสะอื้นอยู่เมื่อนั้นมานดาบิดาได้ยินเสียงบุตรแล้ว จะเกิดความกรุณาขึ้นนะครับได้ยินเสียงลูก้องได้ยินลูกเป็นแผลลูกเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นกรุณาของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเวลาบุตรวิ่งเล่นไปมาหรือเวลาอยู่ในวัยที่สวยงามคือรุ่นหนุ่มรุ่นสาวนี่นะครับมารดาบิดาบมองดูลูกน้อยแล้วจิตใจจะรื่นเริงบันเทิงเหมือนผ้าฝ้ายที่ฟอกแล้วร้อยครั้งหรือที่หย่อนลงไป ในฟองเนยใสเมื่อนั้นมานดาบิดาจะมีมุทิตานะครับลูกกำลังน่ารักเป็นต้นนี่นะครับมีความรู้มีความสามารถเนี่ยนะแต่เมื่อใดบุตรของมารดาและบิดาเหล่านั้นรับหน้าที่เลี้ยงพัญญาแยกเรือนไปอยู่ต่างหากเมื่อนั้นบิดาและมารดานะครับจะบังเกิดมีใจเป็นกลางขึ้นว่าบัดนี้บุตรน้อยของเราสามารถเลี้ยงชีพได้ตามธรรมดาของตนแล้ว เมื่อเป็นอย่างนี้ในเวลานั้นมารดาและบิดาจะมีอุเบกขานะครับคือวางใจได้ว่าลูกไปสบายแล้วนะครับคําว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายคําว่าพรหมนี้เป็นชื่อของมารดาและบิดาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพราะมารดาบิดาทั้งหลายเป็นเหมือนพระพรหมเหตุที่ได้พรหมวิหารทั้งสี่อย่างในบุตรทั้งหลายตามกาลเวลาดังพันานามานิแลนะครับ มีพรมิหารกับลูกตั้งการลูกอยู่ในคันนะครับทราบว่ามีลูกก็เริ่มเจริญเมตตาลูกเก็บไข้ไม่สบายก็เจริญกรุณาลูกมีความสุขก็เจริญมุทิตาลูกอยู่ดีมีสุขนะครับก็วางใจได้ก็เป็นอุเบกขานะครับอันนี้นี่คำว่าพ่อแม่นั้นเป็นพรมของบุตรเพราะพ่อแม่นั้นภาวนากับบุตรอย่างนี้ทีนี้พ่อแม่ผู้เป็นเทพนะครับอธิบายคาว่าเทพก่อน เทพนี่นะครับมีสามเหล่าคือสมมุติเทพนะครับเทวดาโดยสมมุตินะครับอุปติเทพเทวดาโดยกําเนิดแล้วก็วิสุทธิเทพเทวดาโดยความบริสุทธิ์บรรดาเทพสามจำพวกนั้นกษัตริย์ผู้เป็นพระราชา ช, ชื่อว่าสมุติเทพเพราะว่ากษัตริย์ผู้เป็นพระราชาเหล่านั้นที่ชาวโลกเรียกกันว่าเทพและเทพีเป็นผู้ทรงคม และสรงอนุเคราะห์ชาวโลกเหมือนเท พ, พเจ้านะครับเพราะเป็นเทวดาเหมือนกันแต่เป็นสมมติเทพนะครับทั้งข่มทั้งอนุเคราะห์นะสัตว์เหล่าใดที่อุบัติขึ้นในเทวโลกตั้งแต่เทพชั้นจาตุ ม, มหาราชิกาจนถึงภวะกระพรมจึงชื่อว่าอุปติเทพนะคือเทวดาทั้งหลายนะครับเป็นเทพโดยการอุบัติขึ้นพระขีนาศพชื่อว่าวิสุทธิเทพนะครับเพราะหมดจดจากกิเลสทั้งปวงนะ ในข้อนั้นมีอัตน์ดังต่อไปนี้เหล่าสัตว์ชื่อว่าเทพเพราะเล่นสนุกสนานเฮฮารุ่งเรืองอยู่และชนะฝ่ายตรงข้ามอันนี้คําว่าเทพนะนะบรรดาเทพสามจำพวกเหล่านั้นวิสุทธิเทพประเสริฐกว่าเทพทุกเหล่านะคือพระรหันเนี่ยนะครับที่เป็นวิสุทธิเทพดีกว่าสมมติเทพดีกว่าอุปติเทพว่างั้นวิสุทธิเทพเหล่านั้นมุ่งแต่ความเสื่อมไปแห่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ และการเกิดขึ้นแห่งประโยชน์แก่เขาเหล่านั้นโดยส่วนเดียวคือพาระหันทั้งหลายนี่นะครับมีใจต่อสัตว์โดยที่อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ท่านก็อยากกาจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วก็เออประโยชน์แก่สัตว์นี่นะครับพาลรหันก็จะทำยังไงประโยชน์เหล่านั้นจะบังเกิดเนี่ยนะครับไม่คำนึงถึงความผิดที่ภารชนทาไว้เลยปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุข โดยการประกอบพรหมวิหารธรรมตามที่กล่าวแล้วและนำความที่สการะมีผลมากและอนิสงฆ์มากมายมาให้ชนเหล่านั้นเพราะเป็นทักขีนยะบุคคลฉันใดเนี่ยนะกล่าวยกย่องคุณของพระทหารทั้งหลายนะครับที่ไม่มีใจเป็นไปกับอกุศลต่อสัตว์ทั้งหลายเลยนะครับหวังแต่ประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อสรสรพสัตว์ทั้งหลายบูชาเคารพ นบนบท่านเป็นต้นนี่นะครับก็จะทําให้คนที่ทําเหล่านั้นประสบบุญมหาศาลแม้มารดาบิดาทั้งหลายก็เช่นนั้นเหมือนกันมุ่งแต่ความเสื่อมไปแห่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และการเกิดขึ้นแห่งประโยชน์แก่เขาเหล่านั้นโดยส่วนเดียวไม่คํานึงถึงความผิดของบุตรทั้งหลาย เป็นทักษินยะบุคคลผู้ยอดเยี่ยมปฏิบัติอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขเพราะได้พรหมวิหารทั้งสี่อย่างโดยนยะที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งนำมาซึ่งความที่อุปการะนะครับที่บุตรทำแล้วในตนเป็นอุปการะมีพลานสิสงมากมายถ้าลูกไปทำบุญกับพ่อกับแม่เนี่ยนะครับก็จะได้มีผลมากมีนสิสงมาก และมาดาบิดาเหล่านั้นเป็นเทพมาแต่ต้นทีเดียวเพราะมีอุปการะแก่บุตรเหล่านั้นก่อนกว่าเทพทั้งมวลนะครับผู้ที่อุปการะจริงๆเนี่ยนะพ่อแม่นะครับตั้งอยู่ในคันแล้วเพราะเหตุนี้บุตรเหล่านั้นรู้จากเทพเหล่าอื่นว่าเป็นเทพให้เทพเหล่านั้นพอใจเข้าไปนั่งใกล้เทพเหล่านั้น ครันรู้วิธีให้เทพพอใจแล้วปฏิบัติอยู่อย่างนั้นได้ประสบผลของข้อปฏิบัตินั้นด้วยอำนาจของมารดาบิดาเหล่านั้นก่อนฉะนั้นเทพเหล่าอื่นจึงชื่อว่าเป็นปัตชาเทพคือเทพองค์หลังเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคาว่าปุพพเทวานี้เป็นชื่อของมารดาบิดาทั้งหลายนะครับถ้าหากว่าไม่มีพ่อแม่นะครับผู้เป็นเทวดาก่อน เราจักได้รู้จักสมมุติเทพหรือเราจักได้รู้จักวิสุทธิเทพหรือนะครับเพราะอาศยพ่ออาศัยแม่เนี่ยแหละครับบทว่าปุพาเจริยาได้แก่เป็นอาจารย์คนแรกอธิบายว่ามารดาบิดาเมื่อจะให้ลูกศึกษาก็ให้เรียนให้ศึกษาตั้งแต่ยังเล็กๆว่าจงนั่งอย่างนี้จงเดินอย่างนี้จงยืนอย่างนี้จงนอนอย่างนี้จงเคี้ยวอย่างนี้จงกินอย่างนี้นะ คนนี้เจ้าควรเรียกพอ่อคนนี้ควรเรียกพี่ชายเรียกน้องชายคนนี้เรียกพี่สาวน้องสาวนะสิ่งนี้ควรทำนะสิ่งนี้ไม่ควรทำนะที่โ น, น่นนะควรเข้าไปนะที่โน่นไม่ควรเข้าไปนะนะพ่อแม่เนี่ยสอนหมดเลยนะครับให้ศึกษาวิชาประเภทนี้ตั้งแต่ต้นเลยแม้กระทั่งคำพูดคำจาเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้อยคำอย่างไรพ่อแม่ก็แนะนำหมด ต่อมาแม้อาจารย์อื่นๆจึงจะให้ศึกษาศิลปะเป็นต้นคือการนับนิ้วนะเรียนกอไก่ขอไข่ทั้งหลายแลไรเนี่ยนะครับเรียนชั้นปถม ม, มัธยมอุดมศึกษาทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะส่วนอาจารย์อื่นๆนะอาจารย์ในสายสมณะก็ให้สารณะอาจารย์บางท่านก็ให้ตั้งอยู่ในศีลให้บวชให้เรียนธรรมะให้อุปสมบท ให้บัลลัโซดาปฏิมักเป็นต้นดังนั้นอาจารย์เหล่านั้นทั้งหมดจึงชื่อว่าเป็นปัจฉฌาจารย์เป็นอาจารย์คนหลังส่วนบิดามารดาชื่อว่าเป็นอาจารย์ก่อนกว่าทุกคนด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนที่สุทั้งหลายคําว่าปุพพ์จริยานี้เป็นชื่อของมารดาบิดาทั้งหลายนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาพระธรรมคําสอนเป็นต้นเนี่ยนะครับได้มีโอกาสศึกษาเออนี้ศีลนี้สรณะ นี่สมถะวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะครับได้บำเพ็ญกุศลทั้งหลายแล้วเนี่ยนะก็ให้นึกถึงว่าโอ้นีอาศัยบุรพาจารย์คนแรกแนะนำมานะคือพ่อกับแม่นะครับถ้าท่านาไม่มีพรมวิหารต่อเรามาตั้งแต่แรกแรกเลยนะครับโอกาสที่จะมามีชีวิตแบบนี้ก็ค ง, งเป็นไปไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเทียบไปแล้วบุญกุศลทั้งหลายที่ได้ประพฤติอยู่ทุกวันนี้ก็อาศัยท่านนะครับถ้าไม่มีท่านคงไม่มีโอกาสได้ถึงไตรสรณคมไม่มีโอกาสรักษาศีลไม่มีโอกาสได้ประพฤติทำเป็นต้นเนี่ยนะอาศัยพ่อแม่เรานั้นผู้มีอุปการะคุณมากจึงได้เจริญกุศลเหล่านี้นะครัะก็น่าจะคิดเนาะเราทั้งหลายยิ่งได้มาบวชได้มาเรียนได้ศึกษาเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าศึกษาชีวิตของเด็กทั้งหลายที่ต้องแต่เริ่มอยู่ในคันลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยนะครับ ทั้งหลายแหละเนี่ยนะที่อะไรจะเลี้ยงเท่าเด็กเลี้ยงยากนะครับทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีใจรักมีใจเมตตาจริงๆเนี่ยเลี้ยงไม่ไหวนะครับเด็กเนี่ยนะไม่เชื่อก็นะครับไปรหาเด็กมาสักคนหนึ่งมานั่งสงเคราะห์ดูนะครับมาเที่ยวแนะนําสั่งสอนดูจะเห็นว่าโอ้โหมันภาระบานทไทยเลยนะครับแต่เนื่องจากผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยสําคัญว่าเป็นบุตรของตนเนี่ยนะครับเป็นภาระที่ตนจะต้องเลี้ยงดูเขาเพราะฉะนั้นพ่อแม่เหล่านั้นก็ทนได้ทุกอย่างนะครับ จะอดตาหลับขับตานอนเป็นต้นก็ทําได้หมดเลยเพื่อให้ลูกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราได้มีโอกาสศึกษาคําสอนได้ศึกษาปฏิบัติเรียนรู้จเจริญกุศลเท่าไหร่ก็จะต้องคํานึงถ้าไม่มีพ่อแม่เหล่านั้นกุศลเหล่านี้เราไม่มีโอกาสได้ทําเลยนะครับบทว่าอาหุนญาความว่าสิ่งของที่ชื่อว่าอาหุนะเพราะเขาต้องนําบูชาคือผู้หวังผลวิเศษต้องนํามาจาก ที่ไกลแลว้วจึงถวายในท่านผู้มีคุณทั้งหลายอาหุนยยะเนี่ยนะต้องเอาไปบูชานะถึงเดียวไกลขนาดไหนก็ต้องเอาไปบูชาคำว่าอาหุนะนี้เป็นชื่อของข้าวน้ำและผ้าสำหรับปกปิดกายเป็นต้นมารดาบิดาย่อมควรซึ่งของบูชานั้นเพราะเป็นนาสำหรับผู้ปลูกฝังอุปการะธรรม เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอาหุนยะด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าดูความพิสูนทั้งหลายคําว่าอาหุนยะนี้เป็นชื่อของมารดาบิดาทั้งหลายนะครับบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงเหตุในภาวะที่มารดาเหล่านั้นเป็นพรหมเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสคําเมียที่ว่าตังกิสเหตุปะหุการาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะท่านมีอุปการะมากนะครับอ๋ะนะ ถาว่าท่านมีอุปการะมากอุปการะอย่างไรก็คือบทว่าอาปาทกาได้แก่ผู้ถนอมกล่อมเลี้ยงคือเลี้ยงดูชีวิตอธิบายว่าชีวิตของบุตรทั้งหลายมารดาและบิดาถนอมคือเลี้ยงดูได้แก่สืบต่อหมายความให้เป็นไปคือให้ถึงพร้อมโดยการติดพันกันไปเนืองๆนะครับโปสกาความว่าเลี้ยงดูโดยให้ดื่มเลือดในฮไทย ให้มือเท้าเจริญเติบโตขึ้นที่จริงก็น้ํานมของมารดานะครับเรียกว่าเลือดในอริยะวินัยนี้นะครับทั้งทางสมัยใหม่ก็เรียกว่ากลั่นมาจากเลือดเหมือนกันนะครับน้ํานมเนี่ยนะก็คือกลั่นจากเลือดของแม่นั่นเองนะครับบทว่าอิมัสะโลกาสะเทเสตาโรความว่าขึ้นชื่อว่าการเห็นอิทธารลมและอนิทธารลมในโลกนี้เกิดมีแก่บุตรทั้งหลายเพราะได้อาศัยมารดาและบิดา เพราะฉะนั้นมารดาและบิดาเหล่านั้นจริงชื่อว่าเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายนะครับสีสันทั้งหลายที่เราได้เห็นเสียงทั้งหลายที่เราได้ฟังกลิ่นทั้งหลายทั้งหมดที่เราได้รับรู้เนี่ยนะครับอาหารทั้งหมดเนี่ยนะสุขภาพความเป็นอยู่ทั้งหมดก็นับว่าบิดามารดา น, านั่นแหละเป็นผู้แสดงให้นะครับพระผู้มีพระภาคจเจ้าทรงแสดงความที่มารดาบิดาเหล่านั้นเป็นผู้มีอุปการะมาก และเหตุแห่งความเป็นพรหมเป็นต้นด้วยประการดังนี้ที่เป็นเหตุให้บุตรไม่สามารถจะทําการตอบแทนคุณของมารดาบิดาให้สิ้นสุดได้ด้วยโลกิยะอุปการะโดยปริยายะรายๆเลยนะครับไม่มีบุตรคนใดที่จะต้องเอาเครีำว่าโลกิยาทำแบบธรรมดาเนี่ยนะไปทดแทนไปชดเชยคุณของท่านให้หมดได้เพราะว่าถ้าหากบุตรตั้งใจว่า เราจะทาการตอบแทนอุปการะคุณมารดาบิดาแล้วพยายามลุกขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มารดาสถิตยอยู่บนบาขวาให้บิดาสถิตยอยู่บนบาซ้ายมีอายุยืนหนึ่งร้อยปีกอประครบประงมท่านตลอดเวลาหมดทั้งร้อยปีนะครับทานุบำรุงท่านด้วยปัจจัยสี่และด้วยเครื่องอบการนวดฟันการให้อาบน้า และการดัดกายเป็นต้นตามที่ท่านชอบใจไม่รังเกียจแม้แต่อุจระและปัสสาวะของท่านเหล่านั้นไซลูกดีขนาดนี้เนี่ยนะครับกระตันยูขนาดนี้เนี่ยนะด้วยการปริบัติถึงเพียงนี้ก็ไม่ชื่อว่าบุตรได้ทำการตอบแทนมารดาและบิดาครับไม่อย่างที่ว่านี่นะก็ไม่สามารถตอบแทนได้หมดแล้วนะครับไอที่ทำอย่างที่ว่านี่นะ เว้นแต่จะให้ท่านดำรงอยู่ในคุณความดีพิเศษมีศรัทธาเป็นต้นนะครับให้ท่านตั้งมั่นอยู่ในคุณมีศรัทธาเป็นต้นนึงแหละครับจึงจะเชื่อว่ า, อานะตอบแทนท่านได้นะครับสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูกานพิสูุน์ทั้งหลายเราตถาคตไม่เรียกว่าการตอบแทนที่ดีแก่ท่านทั้งสองนั้นท่านทั้งสองนั้นคือใครคือมารดาและบิดาภิสูทั้งหลาย ถ้าบุคคลจะเอาบาข้างหนึ่งแบกมาดาไว้เอาอีกข้างหนึ่งแบกบิดาไว้ให้มีอายุนะครับคือมีอายุยืนได้ร้อยปีมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีทั้งปรนิบัติท่านด้วยการอบการนวดการให้อาบนา้ำและการดัดกายของท่านทั้งสองและให้ท่านถ่ายมูดและถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบานนั่นเอง แต่หาได้ชื่อว่าปรนิบัติหรือทำการตอบแทนคุณมารดาบิดาไม่เลยนะไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนอย่างแท้จริงนะนะภิกษุทั้งหลายและจะสถาปนามารดาบิดาไว้ในไอสวรรค์นะไอสวรรคยาที่ปัตราชสมบัตินะครับในพื้นมหาปตพีนี้ที่มีรัตนะทั้งเจ็เพียงพอก็ไม่ชื่อว่าปรนิบัติหรือทาตาม ทำการตอบแทนคุณมารดาบิดาได้เลยพิสูจนทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุไรพิสูจทั้งหลายเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากเป็นผู้กล่อมเลี้ยงดูบุตรแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายนะครับโอ้ไม่สามารถตอบแทนแบบโลกโลกทั่วไปโดยประการรายได้จบสิ้นนะครับอันนะแล้วพระองค์ก็ตรัสถึงวิธีตอบแทนอย่างแท้จริงว่าพิกษุทั้งหลาย บุตรคลใดแลชักชวนมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งมั่นให้ประดิษฐานอยู่ในศรัทธาสัมปทานะครับผู้ไม่มีศีลให้ตั้งมั่นให้ประดิษฐานอยู่ในศีลสัมปทานะครับเป็นผู้ตนีนะครับให้ตั้งมั่นให้ประดิษฐานอยู่ในจาระสัมปทา ชักชวนท่านผู้มีปัญญาสามให้ตั้งมั่นให้ปดิสถานอยู่ในปัญญาสัมปทาคือสรุปแล้วให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลจาะนะครับแล้วก็ปัญญาด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิิษุทั้งหลายการปรนิบัติเป็นอันบุตรได้ทำแล้วได้ตอบแทนแล้วและได้ทำให้ยิ่งแล้วแกมารดาบิดาทั้งหลาย นะครับจึงจะชื่อว่าตอบแทนท่านอย่างแท้จริงก็คือทำให้ท่านมีศรัทธาเพิ่มขึ้นให้มีเซนให้มีจาระาให้มีปัญญานั่นเองนะครับไมไมครับก็บาลีไม่มีใช่ไหมครับไม่มีเหมือนกันนะละไวในฐานที่เข้าใจมั้งเพราะถ้าไม่เอาสุตตะท่านจะมีศรัทธาได้อย่างไงครับ ถ้าไม่มีสุตตะท่านจะมีศีลได้ยังไงถ้าไม่มีสุตตะท่านจะมีจาคะถ้าไม่มีสุตตะท่านจะมีปัญญาได้ยังไง mm hmm. เพราะฉะนั้นไอ้ข้อปฏิบัติที่ลูกต้องไปทำก็คือชักชวนนั่นแหละชักชวนอันนั้นก็เป็นสุตตะไปนะครับอั น, นึงพึงทราบ พ, พระสูตรที่ให้สำเร็จความที่มารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุตรเป็นต้นอย่างนี้ว่านะ การบำรุงมารดาบิดาและการสร่งเคราะห์บุตรและพันยานะครับมาตาปิโตอุปทานังปุตตาราสังโหอนากรุลาจากักกรรมมันตาเอตัมมังคลมุตตะมังเนี่ยนะครับการบำรุงมารดาบิดาเนี่ยนะครับเป็นอุดมมงคลนะแล้วบางทีพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายการบำรุงมารดาบิดา น, นะบัณฑิตบัญญัติเอาไว้ดังนี้นะครับบัณฑิตทั้งหลายเขาจะต้องประพฤติอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้ส่วนในคาถา คถ า, าที่พระ อ, องค์ตรัสว่ามารดาและบิดาเราสถาคตกล่าวว่าเป็นพรหมเป็นบุรพาจารย์เป็นอาหุนยับบุคคลของบุตรเพราะเป็นผู้อนุเคราะห์บุตรเพราะเหตุ น, นั้นแหละบัณฑิตพึงนอบน้อมและพึงสการะมารดาและบิดาทั้งสองนั้นด้วยข้าวน้ําผ้าที่นอนการขัดสีการให้อาบน้ําและการล้างเท้าบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคล น, นั้นในโลกนี้ทีเดียวเพราะ การปฏิบัติในมารดาและบิดาบุคคลนั้นละไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์นะครับถ้าทำดีขนาดนี้นะวุจเรได้แก่เรียกคือกล่าวบทว่าประชายอนุกรรมปรกาความว่าเพราะมารดาบิดาบันทอนชีวิตเพื่อผู้อื่นเสียบ้างนะครับเสียสละสิ่งของของตนบางอย่างบ้างประคับประคองอุ้ม คุ้มครองประชาคือบุตรของตนไว้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้เอนดูคืออนุเคราะห์ประชาคือบุตรนะครับเสียสระทุกอย่างเพื่อลูกกันนะ่ยแม้กระทั่งทุกวันเนี่ยนะได้ฟังข่าวพ่อแม่หลายคนที่ทํามาหากินเหน็ดเหนื่ยอยอาบเหงื่อตางน้าก็หวังเพื่อลูกนั่นแหละครับบทว่านามัสิยะความว่าไปยังที่บํารุงเชา้าเยน็นทําความนอบน้อมด้วยคิดว่านี้เป็นนาบุญที่สูงสุดของเราบทว่าสการยะความว่าพึงนอบน้อมด้วยสการะเนี่ยนะ ที่ลูกจะต้องเป็ประพฤติกับพ่อกับแม่บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงสการะนั้นจึงตรัสคําเมียที่ว่าอันเนะนะบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอันเนนะความว่าด้วยข้าวยาคูด้วยข้าวสวยของขบเคี้ยวนะครับมีข้าวปลาอาหารก็เอาไปให้ท่านบทว่าปาเนนะนะครับด้วยด้วยปาเน่าแปดอย่างนะครับด้วยน้ําดื่มนะ้นํามะม่วงน้ําผลไม้ทั้งหลายแหล่เป็นต้นนะครับบทว่าวัดเถนะด้วยผ้านุ่งผ้าหม่ม อย่างหน้าหนาวอย่างนี้ก็มีผ้านุ่งผ้าหอมฝากท่านบดว่าสยเนนะความว่าด้วยที่นอนมีเตียงต่างฟูกและหมอนเป็นต้นบดว่าอุดช้าทเนนะด้วยเครื่องอบที่กําจัดกลิ่นเหมน็นแล้วทําให้มีกลิ่นหอมก็คือพวกของใช้ทั้งหลายนะครับสบูตยาสีฟันเป็นต้นนั่นเองบดว่าหนหาปเนนะความว่าด้วยการให้อาบน้ําโดยใช้น้ําอุ่นรดในหน้าหนาว และใช้น้ำเย็นรดในหน้าร้อนนะครับถ้าหน้าหนาวก็หาของหาของทาน้ำอุ่นให้นะหาน้ำอุ่นให้ถ้าหน้าร้อนก็หาน้ำเย็นให้บทว่าปาทานังโทวะเนนะจะความว่าด้วยการล้างเท้าด้วยน้ำอุ่นและน้ำเย็นและด้วยการฉโลมด้วยน้ำมันนะครับนี่ก็ต้องล้างเท้าให้ท่านเป็นต้นนะครับ บทว่าปาริจริยาได้แก่การบำรุงบำเรอดังที่ท่านกล่าวมาแล้วอีกอย่างหนึ่งบทว่าปาริจาิยายความว่าด้วยการทำนุบำรุงด้วยวิธีห้าอย่างมีการเลี้ยงดูการทำกิจให้และการดำรงวงศ์สกุลเป็นต้นอันนี้หมายถึงลูกที่จะต้องประพฤติกับพ่อกับแม่นะเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไวในสิงคาลกัสูรไว้ว่า ดูก่อนบุตรครือาบดีมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าคือทิศตะวันออกเนี่ยนะบุตรควรทานุบำรุงด้วยสถาน5นะครับจะต้องทารุงบำรุงพ่อแม่เนี่ยนะคือ1ท่านได้เลี้ยงเรามาแล้วจักเลี้ยงดูท่านเหล่านั้นนะเลี้ยงตอบท่านนะนะจักทากิจของท่านนะครับกิจการงานเป็นของท่านนะนะที่ไม่ผิดศีลธรรมก็ช่วยท่านไป 3. จักดำรงวงสกุลเอาไว้นะครับ4เราจากปฏิบัติตนให้เป็นผู้รับมรดกนะครับให้เป็นคู่ผู้ควรแก่การรับมรดกของพ่อแม่นะเมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้วจักเพิ่มทักษิณาทานให้หมายว่าทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อให้แม่ต่อไปดูก่อนคือหาบดีบุตรมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าที่บุตรทำนุบารุงด้วยสถาน5เหล่านี้แล้วแล จะอนุเคราะห์บุตรด้วยสถาน5เหล่านี้คือนะครับคือห้ามบุตรจากความชั่วแล้วก็ให้บุตรตั้งมั่นอยู่ในความดีให้บุตรศึกษาเล่าเรียนหาพัญญาที่เหมาะสมให้มอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัยนะข้อ1ข้อ2ข้อ3านี่พี่ปีจานี่ยเได้รับชัดเจนเลยนะบอกว่าห้ามจากความชั่วบอกว่าลูกห้ามศึกว่างี้ยข้อหนึ่งให้ตั้งอยู่ในความดีก็บวชต่อไปว่างี้ย นะลักษณะเนี่ยนะครับนี่แหละพอแม่นี่ก็อนุเคราะห์บุตรด้วยเหล่านี้นะครับไม่มาโอ้ยรีบสึกนะลูกนะอย่างนี้ไม่มีนะครับมีแตบบ่วโอ้ยอย่ามาทําชั่วเลยนะคล้ายๆกับแม่ของพระพระเถระรูปหนึ่งใช่ไหมเชื่อเลยนะพระเถระรูปหนึ่งที่บอกว่าแม่เนี่ยนะยกเจ้าออกจากเท่ารึงนะครับสานุนะภาษานุเทระนะสานุสมมณเณรสานุเทระนี่นะครับแม่ก็แม่พิพิจาก็คล้ายๆอย่างนั้นนะครับ อีกอย่างหนึ่งบุตรคนใดบำรุงมารดาบิดาโดยทําให้เลื่อมใสยอย่างยิ่งในวัตถุทั้งสามคือในพระรัตนตรัยนี่นะครับให้ดํารงอยู่ในศีลให้ประกอบในการบรนประชาบุตรนี้พึงทราบว่าเป็นผู้ล้าเลิศบรรดาผู้บำรุงมารดาบิดาทั้งหลายนะครับถ้าจะบำรุงพ่อแม่นะให้มีความมั่นคงในพระรัตนตรยัยอ๋อมิหน้าละทรงเทพไปเรื่อยแล้วครับแล้วก็ให้ดํารงอยู่ในศี้นให้สมท า, านสิน 5, ส้นห้าสิ้แปดเป็นต้นนะครับ แล้วก็ถ้าเอามาบวชได้บวชเลยเนาะนะครับนี่แหละเรียกว่าบำรุงที่ล้ำเลิศนะครับพระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงแสดงว่าก็การบำรุงนี้นั้นเป็นเหตุนําประโยชน์เกื้อกูลและความสุขในโลกทั้งสองมาให้แก่บุตรนะถ้าปฏิบัติอย่างที่ว่าเนี่นะครับเป็นเหตุแห่งสวรรค์เนอะคนทั้งหลายพากันเจสรรเสริญเขาในโลกนี้ทีเดียวเขาละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมบันเทิงใจในสวรรค์นะครับ อธิบายว่ามนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายจะสรรเสริญคือยกย่องได้แก่ชมเชยบุคคลผู้อุปถักมารดาบิดาด้วยการบำรุงบำเรอท่านและเอาเขาเป็นทิ่ฐานุคติคือเอาเป็นเยี่ยงอย่างแม้ตนเองก็ปฏิบัติในมารดาบิดาของตนอย่างนั้นแล้วย่อมประสบบุญมากมาย บทว่าเปรจะความว่าผู้บำรุงมารดาปิดาไปสู่ปารโลกแล้วสถิตอยู่ในสวรรค์ย่อมจะรื่นเริงบันเทิงเพลิดเพลินใจด้วยที่ผสมบัตินะครับ น, นะลูกบางคนที่เขากรตันอยู่เป็นลักษณะนั้นเลน ะ, ะนึกอย่างว่าคุณนภาเนี่ยเป็นตัวอย่างเนี่ยาหาเทปหาอะไรไปให้แม่เขาฟังนะครับแม่เขาก็ดีเหลือเกินนั่งฟังเทป รู้เรื่องไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ายกมือไหว้เทพปลกุกปลุกนะครับฟังเทศฟังธรรมโอ้ยฟังไม่รู้กี่รอบรกี่รอบครับแม่ข้านะนะครับผมชอบฟังธรรมอยู่มากันหาเทพหาวิทยุหาอะไรให้นะครับนะแล้วก็เออมีคุณหมอบางคนก็ส่งเทพส่งหนังสือไปให้พ่อนะครับมีไปเยี่ยมเยียนพ่อบ่อยๆ อ, อย่างเงี้ย น, นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญนะก็ขออนุมโมทนาโดยสาธุเพื <c oughs> ขอาการครับมีพระ มีพระบางรูปไหมครับในครั้งพุทธกาลที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ในลักษณะที่เป็นการทดแทนคุณนะพระอริยะสาวกของพระองค์ก็มีเยอะนะครับตัวอย่างแม่กระทั่งพระสารีบดก่อนจะดับขันไปรินิพพานก็ยังไปส่งเคราะห์แม่ก่อนนะครับให้บรรลุโสดาบันก่อนเนาะท่านกอยปรินิพพานนะครับมีคราวาญคนหนึ่งนี่เป็นเด็กหนุ่ม แล้วก็ชอบฟังธรรมะอยู่บ้างแต่นี้ว่าเขาก็มีเทปธรรมะอยู่เขาบอกว่าอเอาเปิดเทปธรรมะให้พอฟังเพื่อพอจะได้เข้าใจธรรมะบ้างแต่เขาบอกว่าเขาเปิดแล้วรู้สึกว่าพอเขารู้สึกหงุดหงิดนะเพราไม่รู้ว่าจะอยากจะฟังหรือเปล่ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบจะฟั ง, งนี่ น, นี่เราจะแนะนํำพ่อยังไงดีครับทนะินะ้งวานะี่ครับ ผมก็ไม่รู้จะแนะนํำยังไงเหมือนกันทางอาจารย์มาหาก็แล้วกันเผื่อจะามีทางออกที่ดีให้นะครับแต่ผมยังไม่รีบแนะนําธรรมะอะไรหรอกครับถ้าเป็นผมนะโดยส่วนตัวผมนะครับผมก็จะไปทําอย่างอื่นก่อนแต่นีนพ่อผมพาไปไหนไปง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็พาไปที่อื่นผมก็พูดธรรมะให้คนอื่นฟังแกก็นั่งฟังอยู่ด้วยใช้วิธีนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไปธุระที่ไหนผมก็ยังไปอีสาลส่วนใหญ่นี่นะครับผมก็พาพ่อหรือพาแม่ไปด้วยนะครับ พ่อหรือแม่ก็นั่งฟังอยู่ในนั้นแหละก็จะเอาลักษณะนี้เอานะครับแต่ถ้าเป็นนั่งพูดพ่ออย่างนี้บาปอย่างนี้บุญท่านไม่ฟังเราหรอกครับนะลูกก็คือลูกนั่นแหละนะครับก็ใช้วิธีอื่นๆอนเอานะครับเช่นพาไปหาฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมไปรู้จักพระองค์โน้นรู้จักพระองค์นี้เป็นต้นนะนะก็ใช้วิธีนั้นเอานะครับถ้าท่านมีศรัทธานะแต่ไม่มีศรัทธานี่นะครับหัวก็เงียบท้ายก็เงียบถ้าอย่างนี้ก็โหทําบุญกับท่านเถอะเอาไว้กราบเอาบุญเถอะนะครับ